เขาประกาศพระแม่ขัวจันเพื่อนสถานธรรมิกเจริญนรยอมชาวที่ชาวไรชาวพังงาภูเก็ตรู้อยู่ว่าที่นี่พังงาเป็นคนภูเก็ตเขาก็บกมมาเยอะก็เป็นบุญนะเป็นบุญร่วมกันได้มาเจอกันคนไม่มีบุญร่วมกันไม่เจอกันหรอก หรจะเจอกันสตีกันพวกเราจริงๆพวกเราชาวพุทธนะเป็นคนมีบุญเรามีบุญมากเลยถึงได้เจอพระพุทธศาสนานี่เราต้องเรียนนะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ว่าลงนง่ายหรอกต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรธรรมะที่ท่านสอนเนี่ย ท่านมุ่งมาสู่ความทุกขนั้นะคำตอบที่พวกเราชาวพุทธจะได้รับ ก, ก็คือเรามีวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่แบบมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยนะถ้าเราภาวนานได้ดีพอเนี่ยความทุกข์ทางใจมันจะหายไปอย่างเด็ดขาดหรือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทุกข์หมด ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเก่งๆนะทางร่างกายท่านก็ยังทุกข์อยู่แต่ใจท่านไม่ทุกข์ด้วยแล้วนะพวกเราจะมาภาวนากันเพร่ะว่าจะถอนเอาความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้ตัวที่ทำให้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาถ้าพวกเจลกิเลสทั้งหลายนะปัญหากิเลสพวกนี้ถ้ามันเข้ามาครอบครองจิตใจของเราได้เราก็จะเกิดความทุกข์ ในจิตใจขึ้นมานะส่วนความทุกข์ทางร่างกายนะทําไงก็แก้ไม่ได้หรอกนะแก่แต่เป็นคราวๆไปเช่นง่วงก็ไปนอนหิวก็ไปกินไม่สบายก็ไปหาหมอบ้างอนะไรเงี้ยแต่ความทุกข์ทางใจเนะี่ยมันเกิดจากกิเลสตัญหาแลนะ้เราต้องมาต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันกิเลสตัญหามันคลองโลกมาแต่ในทนะเลคลองโลกอยู่ตลอดเวลา เพราะเราตกเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวตันหานะั้นมันร้ายมากนะมันเป็นเจ้านายที่เราไม่เคยรู้จักเลยเราแต่ละคนเราก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งไม่มีใครบังคับเราได้ความจริงเราถูกเจ้านายคือตันหานะัะสั่งเราทั้งวันนะเดี๋ยวใจก็อยากเดี๋ยวใจก็อยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รส อยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งใจมันมีแต่ความอยากเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันมีความอยากเกิดขึ้นนะใจมันจะดิ้นรนใจไม่สงบสุขใจเสียสมดุลไปใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกิเลสเป็นตัวล้างผลาญเราทำให้เราเสียความเป็นอิสร ะ, ะเรานึกว่าเราเป็นอิสระใครๆก็สั่งเราไม่ได้ความจริงกิเลสสั่งเราทั้งวัน ความอยากมาสั่งเราทั้งวันเรารู้ไม่ทันมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดในโลกเลนะตัวตันหานี่มันสั่งให้เราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงให้ไปโนอนให้ไปนี่ให้ทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าเราตามใจมันเราก็จะเกิดความสุขนิดหน่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยอย่างบันบอกให้เราไปดูหนังนะพอเราไปดูหนังก็สบายใจหน่อยหนึ่ง ดูหนังประเดี๋ยวประดานะสั่งให้ไปซื้อขนมมากินอีกแล้เนี่ยแ้วไปซื้อขนมมากินก็มีความสุขอีกนิดหน่อยแต่ถ้ามันสั่งงานแล้วใจเราเราไม่ยอมทําตามมันมันจะลงโทษเราอย่างสั่งให้ไปดูหนังไม่ไปดูนะก็กลุ่มใจอยากดูหนังก็กลุ้มใจใช่ไหมอยากไปฟังเพลงก็กลุ้มใจอยากทำโน้อนอยากทํานี้แล้วนะไม่ได้ทําอย่างที่อยากก็กลุ้มใจไปหมดเลย งั้นมันมันเป็นเจ้านายที่ที่ฉลาดมากนะมันรู้จักให้คุณรู้จักให้โทษถ้าเรายอมตามใจกิเลสเรก็จะรู้สึกมีความสุขนิดหน่อยถ้าเราไม่ตามใจมันนะก็จะทุกข์ทรมานใจทุรนทุรายขึ้นมาบีบคั้นเอาเนี่ยมันมันมันร้ายอย่างนี้นะมันถึงคลองโลกได้พอเราตามใจมันเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันให้ความสุขเรานิดหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่เลยให้ไปทําเรื่องโน้นต่อ พอเราไปทําเรื่องน้อนมันก็สบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะก็สั่งให้ทําเรื่องใหม่อีกละ ว, วันวันเราถูกสั่งทั้งวันเลยเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแนละเราเสียอิสระภาพไปนะนี่ทําไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากกิเลสตัณหาพวกนี้ได้ต้องรู้ทันมันต้องรู้ทันมันกิเลสตัณหามันอยู่ที่ไหนนะอยู่ในใจเรานี่เองนี่มันสะสมมาข้ามภพข้ามชาติสะสมมานาน กิเลสมีทั้งหลายระดับมีกิเลสอย่างหยาบหยาบเช่นโกรธแรงแรงโลภแรงแรงหลงแรงแรงนะฟุ้งซ่านแรงแรงลังเลสงสัยในพระรัตนตรัแรงแรงวันนี้ก็นับถือพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งก็ไม่นับถือแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนี้ยนะก็สงสัยลังเลไปเรื่อยกิเลสแรงแรงนะนี่จะทำให้เราผิดศีลอย่างความโลภแรงแรงเกิดขึ้นแล้ว ก็ไปลักไปขโมยเขาอะไรนะการมาราค่าแรงๆก็ไปเป็นชู้กันอะไรทาให้เราผิดศีลผิดธรรมความโกรธแรงๆก็ไปฆ่ากันไปตีกันไปด่ากันใ น, ะนกิเลสมันอย่างหยาบหยบนะกิเลสหยาบหยาบต้องสู้ด้วยศีลนะกิเลสหยาบหยาไม่ได้ไปสู้ด้วยปัญญานะไม่ได้ไปสู้ด้วยสมาธิเวลากิเลสหยาบๆยบเกิดนนัะ้สมาธิแตกก็เจิงหมดนะนะสู้ไม่ไหว เพราเราตั้งใจไว้ก่อนนะยังไงเราไม่ผิดศีลห้าหลวงพ่อไม่เรียกร้องมากนะไม่เรียกร้องว่าต้องศีลแปดศีลสิบอะไรหรอกขอศีลห้าให้ได้ก็แล้วกันนะเอาให้ได้จริงๆศนะีลห้าสํนะาคัญมากนะเวลาไปดูองค์มรรคองค์มรรคองค์มรรคจริงอยู่ในศีลห้านะนะสัมมาวาจาศีลข้อสี่สัมมากรรมนตนะศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม สัมมาชีว ะ, ะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่อยู่ในศีลในธรรมศีลห้าสำคัญที่สุดนะอย่างพระมีศีลสอง้อยี่สิบเจ็ดมีเยอะฟังว่าฟ้าเยอะศีลจําเป็นที่สุดเลยศีลห้าข้อนั่นแหละถ้าพวกเราทิ้งศีลห้าซะแล้วนะเราจะฟุ้งซ่านอย่างเราคิดจะขโมยเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอ อย่างเราคิดทำทานจิตใจสงบใช่ไหมคิดจะไปเอาของคนอื่นนะจิตใจไม่สงบนะเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบนะเราคิดอาภัยให้คนอื่นได้จิตใจสงบเนะถ้าเรารู้จักนะอย่างน้อยเรารักษาศี่ห้าไว้ก่อนกิเลส ท, ที่รุนแรงเกิดขึ้นเนะี่ยห้ามมันไม่ได้หรอกกิเลสจะเกิดนะอยู่ๆไปสั่งบออยา่อยา ก, กิเลสอย่ากเกิดนะมันไม่เชื่อ กิเลสจะเกิดห้ามมันไม่ได้นงแต่กิเลสเกิดแล้วนะอย่าให้ผิดศีลห้ามันจะเข้ามาในใจเราจะย่ำยีจิตใจเราขนาดไหนนะอย่าให้ล้นออกไปทางปากนะอย่าให้ล้นออกไปทางมือทางเท้านะรักษาศีลห้าไว้ก่อนถ้ากิเลสช่วยหยาบเกิดขึ้นในใจเราแล้วครอบงํานะเราขาดสติเราก็จะไปทําผิดศีลไปโกรธเขาก็ไปด่าเขาไปตีเขาไปใส่ร้ายเขาอนะไร ชอบขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปแย่งชิงเขาไม่ถูกต้องกำนองครองธรรมเนี hmm. ่ยเพราะงั้นเบื้องต้นเลยถ้ากิเลสมันรุนแรงห้ามมันไม่ได้ในใจเรากิเลสรุนแรงตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีลห้าไว้ mm hmm. ทุกวันนะหลวงพ่อแนะนำนะวันตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตั้งใจไว้เลยวันนี้จะไม่ทําผิดศีลห้าแต่ขา่ขาวๆนี่ศีลห้าได้ไหมครบไหม สี่ข้อไหนรักษายาก อ, อือโอ้ข้อสี่ตอบเหมือนกันทั้งประเทศเลยไปที่ไหนถามแนละ้วสี่ข้อไหนรักษายากแล้วข้อสี่รักษายากพูดเพิรเจอส่วนมาพูดเพิรเจอร์พูดคาหยาบพูดส่อเสียดพูดเท็จส่วนมากก็เริ่มพูดเพิรเจอร์นั้นเราตั้งใจรักษาสินนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยวันนี้เราจะมีสินห้าเกิดเราตายไปตอนนั้นไปสุขติดนะ เราตายไปกับศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันนะตั้งใจอีกวันนี้จะรักษาศีลหนะ้าตอนเย็นก่อนจะนอนอะไรเนี้ยนะก่อนไหวพระสวดมนต์ตั้งใจเรารักษาศีลหนะ้าก่อนนอนตั้งใจอีกว่ารักษาศีลห้าเผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นตายตอนกลางคืนก็นะาตายไปกับศีลหต้องตั้งใจอย่างนี้นะสู้เอาจริงๆ พวกเราอย่าไปดูถูกบางคนรู้สึกศีลเป็นธรรมะต่ำเกินไปถ้ามีศีลก็มีธรรมนะไม่มีศีลไม่มีธรรมหรอกงัมันเป็นเบื้องต้นที่สาคัญมากเลยคนทุกวันนี้เบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยเราละทิ้งศีหลห้าไปสังคมก็เร่าร้อนจิตใจของเราเองก็เร่าร้อนคนไม่มีศีลจิตจะไม่มีสมาธิหรอกพราจิตใจว้าวุ่น อย่างคนจะรักเขาขโมยเขาเนี่ยจิตใจว้าวุ่นไม่มีสมาธนะิคนที่คิดให้คิดทำทานคิดอะไรอเงี้ยจิตใจสงบนะมีสมาธิง่ายคนที่ไปฆ่าเขาไปตีเขาไม่สงบหรอกนะคนอภัยเขาเมตตาเขาสงบนะงั้นถ้าเรามีศีล น, น, นะเราจะได้ธรรมะอีกตัวหนึ่งขึ้เราจะได้สมาธิง่ายนะถ้ามีศีลนะก็มีสมาธิง่ายนะจิตใจสงบ ม, มีสมาธิแล้วค่อยมาหัดเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจพวกเราเป็นชาวพุทธเราอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่ทำทานรักษาศีลนะมันน้อยไปเสียโอกาสที่พวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแค่ทำทานถือศีลเป็นของดีแต่ยังไม่ดีที่สุดมีของดีมากกว่านั้นขึ้นไปนะถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมานะ ก็เป็นความดีที่สูงกว่าเป็นความดีที่สูงขึ้นไปอีกทสมาธินี่เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสระดับกลางกิเลสหยาบหยบสู้ด้วยศีลกิเลสชั้นกลางนั่นคือความฟุ้งซ่านของจิตนานาชนิดนะความฟุ้งไปในกามเนี่ยกามมันทะความฟุ้งไปในความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรนี่เรียกว่าพยาบาทไม่ชอบ ความฟุ้งจับอารมณ์ต้นทีจับอารมณ์นิทีนะดูไม่ออกดูไม่ทันนะนี่เรียกว่าฟุงา้งซ่านอุทัด จ, จับนะฟุ้งซ่านแล้วใจก็หงุดหยีที่มารำแขวนฟุ้งซ่านลำแขวนใจนะฟุ้งไปคิดมากนะก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมะาสงสัยในพระรัตนตรัยอะไรอย่างนี้ขึ้นมะา ใ, ใจฟุง้งซ่านนะใจมันฟุง้งซ่านแล้วใจมันจะไม่มีสมัจจนะิถ้าใจไม่มีสมัจจิเดินปัญญาไม่ได้เั้นเรามาหัดใจของเรา ให้มันไม่ฟุ้งซ่านสะก่อนเพื่อต้นถือศีลไว้จะทำให้สงบง่ายพอถือศีลแล้วให้ใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวใจจะมีสมาธิขึ้นมาเนีย่ยคนไหนถนัดพุดโทโธเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยท่องพุโทโธในใจมันมีเคล็ดลับนะการทำสมถะททำความสงบจิตเนี่ยอย่าไปบีบไปเข้นจิตให้สงบจิตไม่ยอมสงบจิตมันเป็นเด็กดือ้อ เด็กดเราสั่งให้เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยมันจะห น, นีโซนออกไปนอกบ้านถือไม่เรียวไปไล่ตีมัอนนะเผลอเมื่อไหร่มันก็หนีออกจากบ้านไปอีกหนีไปโซนจินนี้เหมือนกันมันเที่ยวโซนออกข้างนอกไปด้วยแล้วเราต้องเอาขนมไปล่อมันอย่างเราจะไม่ให้เด็กไปโซนนอกบ้านนะหาขนมไปล่อมันหาของเล่นไปล่อมันเด็กคนนี้ชอบ เ, เล่นของเล่นหาของเล่นมปล่อไปเด็กก็ไม่หนีไปนอกบ้านเด็กคนนี้ชอบกินขนมเอาขนมมาล่อมัน จิตใจนี้เหมือนเด็กนะเราต้องมีสิ่งมาหลอกล่อมันแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านสเปซ ส, สปะร่อนเร่ออกไปนอกบ้านนอกบ้านคือออกไปนอกกายนอกใจตัวเองร่อนเร่ไปหลงอารมณ์ภายนอกไปเร่หาอารมณ์สักอย่างหนึ่งนะที่พวกเราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุทธโธเราก็พุทธโทคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจ คนไหนเคยฝึกดูท้องของยุบแล้วสบายใจก็มาดูท้องของยุบคนไหนถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมแต่ไม่ใช่พุดโธไม่ใช่หายใจไม่ใช่ดูท้องของยุบไม่ใช่เดินจงกรมเพื่อบังคับจิตลองเปลี่ยนวิธีการนะแทนที่จะคอยบังคับจิตบีบบังคับมันให้สงบบีบให้สงบมันไม่สงบมันจะเครียดจิตจะสงบได้จิตต้องสบายนี่เป็นเคล็ดลับนะ ก็เราจาไว้นะถ้าจิตจะสงบได้ต้องหาอารมณ์ที่สบายมาหลอกล่อมันเหมือนจะหลอกล่อเด็กเนี่ยหาอารมณ์ที่ดีที่ถูกอกถูกใจเด็กเนี่ยเด็กก็จะไม่เป็นสนคนไหนชอบพุทธโธนะมาพุโทโธพุทธโธเล่นๆอย่าพุโทโธบังคับจิตแต่พุทธโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันะ คนไหนถนัดรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเล่นๆรู้สบายๆรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายหายใจไปหายใจไปบางคนหายใจไปด้วยพุทโธไปด้วยหลวงพ่อหัดมาแต่เด็กตอนเด็กๆเรียนจากทางท่านพ่อลีวัดอโศกธรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโธท่านให้นับหนึ่งนับสองด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสอง อะไรก็ได้นะลมอะไรที่ก็ได้ที่เราถนัดนใครถนัดพุทธโทก็พุทธโทใครถนัดหายใจก็หายใจใครถนัดพุทธโทรประกอบกับลมหายใจก็พุทธโทรประกอบกับลมหายใจใครถนัดดูท้องฟองยุบก็ดูท้องฟองยุบไปเหมือนกันหมดน่ะไม่ดีไม่เลวแตกต่างกั น, นแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่งจิตเนี่ยยิ่งบังคับยิ่งไม่ยอมนิ่ง เราหลอกล่อมันพุทโธไปพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทั น, นมาพุทธโทไปอย่างสบายๆเขาทำสบายๆนะจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะไม่สุกสนออกไปหรือมารู้ลมหายใจหายใจไปหายใจไปนะถ้าคนไหนชอบลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขจิตมาสงบอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับอย่าไปบีบไปเข้นมัน <S <S 1> <S 1> ค่อยๆฝึกทุกวั น, นแบ่งเวลา ทำความสงบจิตบ้างสิบนาที15้านาทีก็ยังดีเป็นคารวาสต่อไปมันจะเพิ่มเองอย่างหลวงพ่อนะสอนที่วัดลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ก็คนเมืองอย่างพวกเราเนี้ยคนในเมืองวันวนะันคิดแต่งานคิดอะไรต่ออะไรนะหัวโตทุกวันเลยเบื้องต้นหลวงพ่อจะไปชวนนั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงไม่มีใครมานั่งหรอกนะนั่งแล้วกลุ้มใจไม่ยอมนั่งหรอกหลวงพ่อขอบอกขอวละห้า น, นาที เบื้องต้นนะขอห้านาทีมานั่งดูใจตัวเองพุทโธไปรู้ทันใจไปหายใจไปรู้ทันใจไปดูท้องพองยุบรู้ทันใจไปอย่างดูท้องพองยุบนะจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้ทันมารู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยพอเรารู้ทันจิตไปโดยที่ไม่ไปบีบไปเค้นมันนะมันจะค่อยๆสงบค่อยๆเชื่องจะค่อยๆสงบเข้ามา รวมตัวเข้ามาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาเนี่ยหักทีแรกนะวันหนึ่งสินาทีไม่เอามากถ้าไปเรียกร้องเริ่มต้นนะเอาให้ได้เวลาชั่วโมงก็ไม่เอาละสองสามวันก็เลิกเนี่ยพอมาหักนะกับหลวงพ่อที่วัดนะให้ให้วันหนึ่งสิบนาทีอนะไรเงี้ยพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยคราวนี้นั่งได้นานเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่ง เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนฝึกวันหนึ่งหลายชั่วโมงได้มีความสุขหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจกี่ชั่วโมงก็ได้พุโทโธแล้วมีความสุขพุโทโธกี่ชั่วโมงก็ได้นี่เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับคือการภาวนาถ้าจะต้องการความสงบต้องการส ม, มถกรรมฐา น, นทําให้สบายแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะต้องมีสัจจะกับตัวเองทุกวันต้องทำํำอย่างพวกเราหนุ่งขาวผมขาวเนี่ย วันละชั่วโมงไหวปะนะเริ่มทอแท้แล้วเห็นไหมขอชั่วโมงหนึ่งเราไม่ให้ลนะ้วครึ่งชั่วโมงไหไวไหมไหวไหวกี่คนที่เหลือนั่งเงียบเลยเหไหมสิบนาทีไหวไหมสิบนาทีนะขอสิบนาทีแนละ้วเพื่อตัวเองอะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหรอกตัวเองตั้ ง, ต, งตัวเองก็ได้เลยเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะทุกวันนะถึงเวลาไหวพระสวดมน ต, ต์ไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปนะแล้วคอยรู้ทันจิต ไม่ใช่หายใจบังคับจิตแต่หายใจแล้วรู้ทันจิตเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละหายใจไปพุโทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปพุโทโธไปจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ทันใ น, นสุดจิตมันจะเป็นตัวรู้ขึ้นมาเป็นแค่คนรู้นะั้นค่อยๆสงบสงบสง บ, สงบไม่ใช่ผู้แสดงแล้วเป็นผู้ดนะูจิตใจก็สงบสบายพอจิตใจสงบสบายเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเราสู้กิเลสระดับกลางๆได้ กิเลสชั้นกลางก็ ค, คือความฟุ้งซ่านของจิตพวกนิวรณ์ทั้งหลายฟุ้งไปชอบใจฟุ้งไปเกลียดฟุ้งจับจดจับอารมณ์ไม่ถูกอะไรพวกนี้ฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยฟุ้งไปลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยนี่ฟุ้งซ่านอใจเราสงบนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายไม่ฟุ้งซ่านในวิธีสู้นะวิธีสู้กิเลส ช, ชั้นกลางที่เรียกว่านิวรณ์ หังจากนั้นนะพอใจของเราสงบสบายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสาคัญมากพวกเราอย่าหยุดอยู่แค่นี้เสียดายที่สุดเลยพวกเราชาวพุทธนะรุ่นหลังๆนะมันภาวนาม่มเอาแต่ความสุขอะ่ะมันไม่พอภาวนามไม่ใช่เอาแค่ความสุขความสงบความสุขความสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชไปเรียนเข้าสมัติที่กลือษีเห็นไมได้ไเรียนกับอราราดาบวตุวทัศาบวต เป็นเข้าสมาธิเพราะเรื่องสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกยังไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาหรอกแต่เป็นทางผ่านนี่พวกเรารักษาศีลไว้นะแล้วทุกวันฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้มันสงบบ้างต่อมามาฝึกเดินปัญญาการฝึกเดินปัญญาเนี่ยเพื่อล้างกิเลส ช, ชั้นละเอียดศีลเป็นเครื่องมือล้างกิเลสอย่างหยาบๆเช่นโกรธแรงๆจะไปฆ่าเขาเนี่ยไม่ฆ่าตั้งใจงดเบ้นนี่ สู้กิเลสอย่างหยาบจิตใจฟุ้งซ่านมานะั้นน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขมีความสบายนะไม่ข่มจิตไม่บังคับจิตให้เคร่งเครียดนะจิตก็สู้นี้กิเลสชั้นกลางคือสู้นิวรณ์ได้สู้ความฟุ้งซ่านนานาชนิดได้ถัดจากนั้นต้องมาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดกิเลสชั้นละเอียดคือความโง่ของเราความไม่รู้ตัวมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายความไม่รู้ วอาวิชาเป็นหัวโจกของความไม่รู้ต้องมาสู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ความจริงของชีวิตคนที่ไม่รู้ความจริงของชีวิตนก็จะดิ้นรนจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไปปัจทุบนจะเข้ามาเบียดเบียนจิตใจได้เรื่อยๆไปถ้ารู้ความจริงของชีวิตนะใจจะค่อยคลายออกคลายออกสิ่งที่เรียกว่าความจริงของชีวิตอะไรเป็นชีวิตเรารูปกับนามกายกับใจนะธาตุขัน ขันห้าในพวกนี้มาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเรียนรู้ชีวิตเราเองสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็มีกายกับใจนีนะ้มาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจมาคอยแยกแยกแยกธาตุแยกขันหนะัดแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยเบื้องต้นนี่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไดนะ้การเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน เนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวเดินปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะบุคคลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลและสมาธิแต่ศีลและสมาธิเป็นต้นทางเป็นกลางทางเป็นตัวที่ส่งทอดมาเพื่อให้เรามาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือความจริงของกายความจริงของใจตัวเรามีอยู่จริงหรือมาเรียนรู้ให้เห็นตรงนี้นะ ตลอดเวลาตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนี่แหละตัวเรานี่แหละตัวเรามีชื่ออย่างนี้มีพ่อมีแม่ชื่อนี้ชื่อนี้มีนามสกุลอย่างนี้นี่ตัวเรามีอยู่จริงๆมันจริงโดยสมมุติหรอวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงนะของธาตุของขันของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือวิปัสสนากรรมฐานมีหลักการสั้นๆ น, นะ สั้นๆให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่เป็นกลางนันเป็นจิตที่ทรงสมาธิแ <happiness> ต่เป็นสมาธิคนละแบบกับสงบ สมาธิมีสองชนิดนะสมาธิมีสองชนิดพวกเราต้องเรียนให้ดีสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบสมาธิที่สองตั้งมัน่นแต่ในความตั้งมั่นนั้นเจือด้วยความสงบนะมีความสงบเจืออยู่พวกเราใครเคยเจอหลวงปู่เทศบ้างมีไหมมีใครเจอหลวงปู่เทศบ้างมีนิดเดียวเองเนาะพวกนี้ไม่ทันแล้วหรอะเคยได้ยินชื่อท่านไหมเออได้ยิน รู้ไหมท่านสอนอะไรเคยได้ยินไหมท่านชอบสอนเรื่องฌานกับสมาธิได้ยินนะไม่ได้ยินนะไปเรียนซะนะคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์วิเศษที่สุดเลยนะท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิหมายถึงเป็นสมาธิสองชนิดฌานเนี่ยจิตจะไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะจิตไม่หนีไปจากพุทโธเลยได้ความสุขได้ความสงบเราดูท้องฟองยุบนะ ดูท้องจิตไม่หนีไปจากท้องเลยจิตสงบได้ความสงบนะรู้ลมหายใจนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยสงบอยู่อยู่กับลมหายใจสงบตรงที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี้ยตัวเนี้หลวงปู่เทศเรียกว่าฌานนะเป็นศัพท์เฉพาะที่ท่านเรียกว่าฌานนะถ้าภาษาปริยักษ์จะไม่เรียกว่าฌานเขาจะเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานชื่อยาวจํายาก หลวงปู่เทสท่านตัดเหลือสั้นๆเรียกว่าฉันคือจิตมันเป็นเพงน่งนิ่งๆอยู่ในลมมันเดียวด้วยวิธีที่บอกมาตะเกียะนะพุโทโธไปจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้หายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้จิตก็ค่อยรวมลงมามาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนนะทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นสมาธิชนิดที่2องหลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธินะถ้าชื่อภาษาปริยัตินะจะเชื่อ ลักขณูปนิชฌานเรียกยากลักขณูปนิชฌานตัวสมาธิที่เป็นความสงบนะหลวงพุทธเทเวิาชฌานชื่อภาษาปริยัติชื่ออารัมมณูปนิชฌานจิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายสบา ย, บายมีความสุขอยู่สุขโง่ๆอยู่ยนั่นสุขโง่ๆไม่เดินตัญญาสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นแม้สงบอันหนึ่งนะตั้งมั่นอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เมื่อ20กว่าปีก่อนนะสมัยหลวงพ่อเข้าไปหาคุูบาอาจารย์นะเข้าไปวัดไหนวัดไหนน ะ, ะโหลปู่เทพหลปู่เหรียนหรืออาจารย์มหาบัวหรือใครต่อใครก็ตามองคไหนก็ตามท่านพูดกับว่าจิตผู้รู้อยู่ด้วยเลยเข้าไปวัด น, นี้ก็ได้ยินคำว่าจิตผู้รู้เข้าวัดนี้ก็ได้ยินคำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่เรียกว่าหลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธิเป็นจิตที่มีลักคนูปนิชานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู จิตไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกต่อไปแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่เทศเรียกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูว่าใจส่วนจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทศต์เรียกว่าจิตมีจิตกับใจคําสอนหลักๆของหลวงปู่เทศน่จะมีอยู่สองคู่จิตกับใจคู่หนึ่งนะฌานกับสมาธิคู่หนึ่งฌานนีสมาธิแบบมุ่งไปหาความสงบ สมาธิเนี่ยสมาธิหมายถึงจิตตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบเฉยๆแต่ตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตของเราแต่ละวันแต่ละวันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานึกออกไม่คิดทั้งวันมีใครไม่คิดบ้างมีไหมไม่มีคิดทั้งวันหรอกพระอรหันต์ก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินนี่คิดไม่เป็นจิตมันคิดทั้งวันน่ะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ทันมันแต่ถ้าเมื่อไหร่นะ เราเกิดรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดจิตไหลไปคิดนะจิตดีด ต, ตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยนะมันจะไม่ใช่ผู้คิดแล้วมันจะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาว่าเราต้องฝึกนะฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ตัวนี้สําคัญนะพวกเราต้องอกตั้งใจเรียนนิดหนึ่งตอนหลังๆคนเริ่มลืมคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ดีๆอย่างนี้ไปเราคิดแต่ว่าสมาธินั่งให้สงบสมาธิสงบเป็นสมาธิแบบที่หนึ่ง ดีเหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ไม่ดีที่สุดหรอกเพราะไม่เดินปัญญาสงบอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่ดีนะไม่ดีพอแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้คอยรู้ทันนะใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตเราหนีไปคิดทั้งวันพอจิตไหลไปคิดปุ๊บคอยรู้ทันไว้นะเราอาจจะพุทโทไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ได้ พุทโธไปหายใจไปนะเพราะจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันทันทีที่เรารู้ว่าจิตนี้ไปคิดนะจิตจะหยุดคิดทันทีเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนะนี่เรามาฝึกอย่างนี้นะฝึกให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าคนไหนทาสมาธิเก่งๆมีวิธีฝึกให้มีจิตผู้รู้อีกแบบหนึ่งนะทำสมาธิไปจิตสงบไปทีแรกพุทโธไปหายใจไปรเงี ถ้าจิตสงบไปลมหายใจก็หายไปพุโทโธก็หายไปนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าฝึกมาด้วยการทําสมาธิจนได้ผู้รู้เนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วผู้รู้เนี่ยทรงอยู่ได้นานทรงอยู่ได้ทั้งทีหนึ่งตั้งหลายหลายวันทรงอยู่ได้นานแต่ถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆไม่เป็นนะเราก็มาฝึกเอาแบบคนยากคนจนนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดตรงนี้หลวงพ่อฝากให้ช่วยจําไว้นิดหนึ่งนะ คอรู้ทันจิตที่หนีที่คิดบ่อยๆอจิตไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้แต่มันจะเป็นผู้รู้อยู่ชั่วคราวไม่นานหรอกรู้ได้ทีละขณะรู้ได้ทีละขณะหลงไปคิดแล้วก็รู้ตรงที่รู้เนี่ยจิตตั้งมั่นเดี๋ยวก็คิดใหม่อีกคิดใหม่อีกรู้ใหม่ก็คิดไปรู้ไปคิดไปรู้ไป พอจิตไปคิดเรารู้บ่อยๆนะต่อไปมันจะรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกตัวมันต่อนเนื่องจะรู้สึกเหมืนอนต่อเนื่องเหมือนแสงไฟฟ้านี่นะแสงไฟฟ้าในไฟฟ้ามันดับอยู่ตลอดเวลานะวินาทีหนึ่งมันดับหลายสิบครั้งแต่มันดับเร็วดับแล้วก็สว่างดับแล้วก็สว่างนะเดี๋ยวไฟก็ขาดเป็นช่วงช่วงช่วงมันจะรู้สึกว่าแสงสว่างเนี้ยต่อเนื่องจิตนี้เหมือ e นกันนะเราฝึกไปเป็นขณะขณะขาะไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะ ในส่วนมันจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องขึนมามันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เหมือนกันอันนี้ฝึกแบบคนเข้าฌานไม่เป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะหลวงพ่อพก็จะแนะนําว่าหัดเข้าสมาธิให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูถ้าอย่างนั้นดีที่สุดถ้าทาไม่ได้เราเป็นคารวาสเราไม่มีเวลานั่งสมาธิมากๆนะนั่งวันหนึ่ง10นาที15นาทีอะไรเนี้ยเริ่มต้นแล้วนะค่อยๆฝึก แต่ว่าตัวสำคัญนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดฝากตรงนี้ไว้นะตัวนี้สำคัญมากนะพอจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ในที่สุดเราจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูคนระาว น, นี้แหละเราจะเดินปัญญาได้ละพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันรู้สึกขึ้นมาแนะงานถัดจากนี้มหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกกายแยกใจ อย่ามาตั้งมั่นรู้ตัวอยู่เฉยๆโง่โ ง, งอยู่อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกอานะจารย์มหาบัวท่านสอนนะว่าถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยอย่ามาคุยอวดเลยว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอกนะงั้นเราต้องมาหาแยกธาตุแยกขันธ์วิธีแยกทํำยังไงตามทันไหมเนี่ยนานๆเจอทีหลวงพ่อเลยเทศแบบเทย่ามให้นะไม่มีกระเป๋าอะเรื่องเทย่ามให้นะแล้วเขาอัดเทไว้เดี๋ยวค่อยไปขอเ้าฟังนะ พอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่าอยู่สงบเฉยเฉยเฉยเยนิ่งน่งเสียโอกาสเสียโอกาสต้องมาเจริญปัญญาค่อยค่นั่งดูลงไปเลยร่างกายที่นั่งอยู่ตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตของเราเป็นคนดูมันจะแยกออกมานะจิตจะแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยกมือนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะหัดแยกไปเรื่อยเลยจะเห็นว่าจิตเป็นคนดูนะมันจะค่อยๆแยกกายก็ส่วนกายนะจิตก็ส่วนจิตค่อยแยกจะพาบว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่เราเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองออกเป็นสองส่วนแล้ว วิธีการที่มาเรียนแล้วก็หัดแยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนาภาษาปริยัติเขาเรียกว่าวิพัฒชวิถีว่าแหวนสลายิพอสัมเภาแม่นหาอากาศชอช้างวิพัฒชวิถีวิพัฒ ช, ชวิถีเนี่ยจะเป็นการหัดมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแยกตัวตนออกไปเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าไม่มีตัวตน คล้ายๆมันมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนะลูกล้อถอดลูกล้อออกมาก่อนลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ไม่มีลูกล้อไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถอดถอดรถยนต์ออกมาเป็นส่วนๆนะลูกล้อไม่ใช่รถยนต์การชนก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องมือไอ้เครื่องยนต์ของมันก็ไม่ใช่รถยนต์ ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมพอเรามาถอดไอ้รถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้ ช, ชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะัพบ ว, ว่าไม่มีรถยนต์แล้วรถยนต์เป็นสิ่งที่เอาอะไหล่ทั้งหลายแหล่นี่มาประกอบมารวมกันนะแล้วเราก็สรุปหมายรู้เอาว่านี่แหละคือรถยนต์วิพัฒชวิตีที่จะมาเรียนรู้เพื่อทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวกูของกูตัวเราเนี่ยก็คือมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันดู เบื้องต้นหัดแยกกายกับใจก่อนนะค่อยๆนั่งไปนั่งไปรู้สึกไปนะอย่าใจลอยนะต้องไม่ใจลอยไปนะรู้สึกตัวกันพอรู้สึกตัวแล้วดูกายดูกายเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดนะูนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะนั่งดูไปนานๆจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดู นะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพอเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นอีกความปวดความเมื่อยแต่เดิมไม่มนะีร่างกายเรานั่งอยู่สบายๆความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังแปลกปลอมเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกอันหนึ่งคนละอันกับร่างกายความปวดความเมื่อยในีภาษาพระเขาเรียกเวทนาเวทนาะคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ ทางร่างกายก็ได้ทางจิตใจก็ได้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆทางใจทางใจมีเฉยๆด้ตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวนี้ไม่ใช่จิตใจอย่างพอเรานั่งไปนานๆมันปวดขึ้นมาค่อยดูไปทำใจสบายๆดูไปความปวดก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วย แล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ค่อยหัดตัวนี้นะพอมันปวดมากเข้ามากเข้าอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะทนทนเอาก่อนมันปวดมากๆนะใจมันชักทุรนทุรายนะเช่นชักเป็นห่วงร่างกายแล้วนั่งนานปวดมากอย่างนี้อาจจะเป็นอัมพาตได้เดี๋ยวเดินไม่ได้จะพิกลพิการใครจะเลี้ยงนใจเริ่มฟุ้งละใจเริ่มปรุ ง, รรงแต่งวิตกกังวลอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลย ร่างกายมันความปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะแต่ความทุรนทุรายมันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นไอ้ความปวดนะกับความกลุ่มอกกลุ่มใจเนี่ยคนละอันกันคนละขันกันไอ้ความกลุ่มอกกลุ้มใจเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารขันคนละขันกันนะเนี่ยเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราจะเห็นเลยความทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่เวทนาคือความปวดความเมื่อยนั้นด้วยคนละอันกัน นี่ค่อยๆหัดแยกนะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันแล้วค่อยแยกไปจะทํางานจะกวาดบ้านจะถูพื้นนะจะซักผ้าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนค่อยดูร่างกายมันทํางานไปเรื่อยมันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็ค่อยรู้เอามันสุขมันสบายก็ค่อยรู้เอามันดีใจมันเสียใจมันจะมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นค่อยรู้เอาสุดท้ายเราจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกไป เราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเดินไปเดินมาไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึง่งไม่ใช่ตัวเราอีกสั่งให้เกิดก็ก็ไม่ได้นะอย่างสั่งให้มีความสุขสั่งขึ้นมาไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ก็ห้ามไม่ไดนะ้พอมันสุขแล้วนะรักษาเอาไว้ก็ไม่ได้นะ มีความทุกข์ขึ้นมาไล่มันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่ยดูของจริงเข้าไปดูเข้าไปจะเห็นเลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกขนะ์กลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวานะประมาณ40ครั้งนะคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์นะ เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราคิด ว, ว่าร่างกายเราไม่ทุกข์ควจริงทุกตลอดเวลาเลยร่างกายเหมือนวัดเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนดินก้อนน้าก้อนไฟก้อนดมนี่มันเป็นอนัตตาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีนะอย่างความสุขมีแล้วก็หายไปความทุกข์ก็หายเหมือนกันไม่ใช่ไม่หายทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะจะเป็น หายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับยืนเกิดแล้วก็ดับนั่งเกิดแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ไม่ได้นั่งตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนความสุขความทุกข์นะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคล้าวนะกุศลกุศลที่เกิดขึ้นนะเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวอีกมีใครโกรธตลอดมีไหมมีใครโลภตลอดไหมไม่มีนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไป ส่วนตัวจิตตัวใจโดยยังไงตอนนี้ต้องค่อยๆหัดดูนะจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังนะวิ่งไปดูอย่างเดียวไม่ไม่พอสังเกตให้ดีตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยดูหน้าหลวงพ่อบ้างใช่ไหมตั้งใจฟังบ้างใช่ไหมหนีไปคิดบ้างใช่ไหมสลับกันตลอดเวลานึกออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปนึกออกไหมล้วทีก็ดูหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ตั้งใจฟัง ตอนที่ตั้งใจฟังเนี่ไม่ได้ดูหน้าหรอกฟังนิดนึงก็หนีไปคิดฟังแล้วก็หนีไปคิดนี่จิตมันเปลี่ยนนะจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดจิตเกิดดับเหมือนกันเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตจะเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจสั่งไม่ได้มันเกิดเองนะเกิดเองเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดพวกเราตอนนี้ดูของจริงลงไปเลย จริงหรือเปล่าฟังไปคิดไปจริงไหมหัดรู้ตรงนี้เลยนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดจิตจะไปฟังไม่ได้เจตนาฟังจิตจะไปคิดไม่ได้เจตนาคิดมันเป็นของมันเองตรงที่เห็นมันเกิดดับทางอายตนานี่มันไม่เที่ยงตรงที่เห็นว่าเราบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะขันห้าเนี่ยตัวรูปตัวเวทนาตัวสังขาร ตัวจิตคือตัววิญญาณดูก็เห็นมีแต่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจะเห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราอนะความสุขควา ม, มานะทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราตัวจิตก็ไม่ใช่เราฝึกไปแล้วมันจะเห็นเองนะฝึกเริม่มจะเห็นเองจะพบว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตนีนะ้ตัวเราเกิดจากความคิดต้องหลงอ่ะ ต้องหลงไปก่อนนะถึงจะไคิดนะจิตหลงเมื่อไหร่จิตจะไปคิดจิตไปคิดจิตก็เกิดตัวเกิดตตนขึ้นมาถ้าจิตมีสติรู้สึกอยู่จิตไม่หลงไปอยู่ในความคิดตัวตนจะไม่มีหรอกตัวตนมันเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเหมือนคําว่ารถยนต์เนี่ยเราคิดว่ามีรถยนต์ก็คิดขึ้นมาทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไหลหลายร้อยหลายพันชิ้นมารวมกันตัวนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าเป็นตัวเรา แต่พอเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ยหัดดูอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญาฟังเหมือนยากไม่ยากนะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อฝึกฝึกไว้สอนสอนไว้นะสมาธิเขาก็ดีขึ้นนะศีลเขาก็ดีสมาธิเขาก็ดีปัญญาเขาก็เจริญเขามาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วล่ะนะไม่ใช่เห็นในร่างกายส่วนกายจิตส่วนจิตไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะ คนไหนไม่มีซีดีหลวงพ่อป้ามีไหมในนี้มีใครไม่มีซีดีไม่เคยมีเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิไปดาวโหลดเอ า, เาก็าตันไม่ได้พกมาแจก <c oughs> นะ <c oughs> เขามีอยู่ตามเว็บไซต์นะเว็บไซต์ใครก็อ ป, ปี้เป็นแล้วก็กอ็อบมาแจกแจกกันนะไปฟังฟังนะฟังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลห้าตั้งใจฝึกจิตทุกวันทุกวัน เบื้องต้นสัก10นาที15นาทีพุโทโธพุโทโธไปนะแต่อมาหัดสังเกตจิตที่หลงไปคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาหัดแยกธาตุแยกขันเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอนะไรเงี้ยความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดู จิตวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมีจิตอีกดวงเป็นคนดูนี่ฝึกไปเรื่อยแต่เพราะว่าตัวเราไม่มีถ้าวันใดเราเห็นว่าตัวเราไม่มีเราจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นอย่างตองแท้นะไม่ใช่เห็นโผล่ ๆ, ๆนะอย่างมหาทรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูลงไปไม่มีเราอย่างนี้ยังไม่เป็นหรอกต้องดูแล้วดูอีกนะต้องอดทนจริงเลยเก่งวื้วื้ววะวะไม่ได้กินหรอกธรรมะ ต้องทนจริงๆเลยนะต้องทนดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าฝึกไปนะเราหลงมาตลอดชีวิตเลยนะกี่ภพกี่ชาติเราก็อยู่กับโลกของความหลงมาตลอดเลยมหาหัดรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆนะจะเอามักฝนนิพพานมันก็เร็วไปหน่อยนะแต่มันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะพยายามรู้สึกตัวอย่าให้หลงไปอย่าให้ใจลอยรู้สึกตัว่อยๆ นะรักษาศีลรู้สึกตัวไว้ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไปด้วยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมามันไม่มีเราหรอกนะค่อยฝึกไปนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเห็นว่าตัวเราไม่มีล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เป็นทัสโสดาปันนะค่อยฝึกค่อยฝึกต่อไปอีกนะปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นนะจนวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี รู้แจ้งเลยทีแรกมันแจ้งในร่างกายก่อนเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วอย่างพวกเราตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเออพิ่งเงี้ยวางไม่เป็นหรอกไม่มาไม่ปล่อยวางหรอกถ้าวันใดปัญญาแก่รอบจริงๆ จ, จะเห็นเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆ น, นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะถ้าเห็นถึงขนาดเนี้นะมันจะวางวางกายนะวางกายมันจะถอยเข้ามา เรียนอยู่ที่จิตแล้วคราวนี้มัวมลงที่จิตดวงเดียวเลยคราวนี้เราก็มาภาวนาอยู่ที่จิตอีกภาวนาไปเรื่อยๆเราเห็นเลยเอาถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์จิตยังมีสองอันอีกแล้วมีจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์อันนี้เรียกว่าอย่างไม่รู้แจ้งถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าจะรู้แจ้งจิตนั่นแหละตัวทุกข์ เหมือนที่เราเคยเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี่ก็เป็นทุกข์ล้วนๆขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะวางปล่อยวางจิตะถ้าปล่อยได้ทั้งกายปล่อยทั้งได้ทั้งจิตก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกในโลกนี้ะโดยสมมุติโดยบัญญัติเขาเรียกว่าพระอรหันต์ความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายร่างกายก็ทุกข์นะไ ม, ไม่ไม่ไม่หายนี่เราค่อยฝึกนะพวกเรา ชาวพุทธเรามีบุญแล้วได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์สืบทอดธรรมะต่อๆกันมามาถึงรุ่นพวกเราแล้วเรามาเรียนรู้กายรู้ใจนะรักษาศีลฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ว่าจริงๆมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ ด, ดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะ ปัญญาเกิดมันก็วางพอปัญญาเกิดแล้วเห็นทุกข์มนะันมันจะไม่ถือไว้ทําไมทุกวันนี้เรายึดถือในรูปในนามในกายในใจเพราะเราคิดว่ามันจะทําความสุขมาให้ถ้าวันใดปัญญาเราแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์นะมันไม่ถือเราเหรอกมันก็โยนทิ้งไปนะมันทุกข์มาจะเอาไว้ทําอะไรทา น, นี้มันจะเหลือแต่ธรรมะตัวกายตัวใจของเราเนี่ยหลวงปู่เทศเรียกว่าโลก มีหนังสือเล่มหนึ่งนะของพุทธเทศเขียนเป็นเล่มสุดท้ายในชีวิตของท่านอ่ะชื่อหนังสือสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านบ้างเล่มนี้ใครเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้บ้างโตมีเหลือน้อยนะไปหาอ่านนะสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกนั้นก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปนะช่วปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ปล่อยวางรูปนามกายใจเนี่ย ไม่ยึดกายไม่ยึดใจไม่ยึดขันห้านั่นแหละตัวขันห้านั่นแหละเรียกว่าโลรคถ้าสิ้นโลกก็สิ้นขันห่านะท่านวางขันห้าไปเข้าไปถึงธรรมธรรมนี้ไม่ตายนะธรรมนี้ไม่ตายธรรมนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมนี้มีความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นธรรมนี้ว่างนะแต่ไม่ใช่ว่างอนาถาว่างมีความสุข ท่านจึงบอกสิ้นโลกเหลือธรรมไม่ใช่สิ้นโลกแล้วก็สิ้นไปเลยสิ้นธรรมไปด้วยไม่ใชนะ่นี่พวกเราใอยฝึกนะไม่มีใครสอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หรอกนะธรรมะที่ท่านสอนนี่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจตนเองได้นะงั้นเรื่องอะไรเกิดมาทั้งชาตินึงจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทางออกจากทุกข์ก็มีอยู่ไม่รู้จักเดินก็โง่แล้วละ่นะ งั้นต้องสู้เอาหนะมาเรียนรู้ไปรักษาศีลฝึกจิตให้สงบหัดรู้ทานจิตที่หลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นดูไปเรื่อยจะเห็นไม่มีตัวเราพอมันเห็นแจมแจ้งต่อไปมันจะไม่ได้แค่เห็นว่าไม่เป็นตัวเรามันจะเห็นเลยทั้งท่าทั้งขันอะไรนี้มีแต่ทุกข์ทางนั้นหนึ่ง ถ้าเห็นทุกแจ่มแจ้งก็จะวางล่ะไม่ยึดในรูปในนามในท่านในขันเนี่ยทางเดินนะีพระรยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมาอย่างนี้นะวัดนี้ก็วัดหลวงปู่เลี้ยนหลวงพ่อก็ลูกศีกหลวงปู่เลี้ยนไปหาท่านที่แรกตอนแรกๆเจอท่านนะท่านก็สอนพุทโธพิจารณกายนะไปเจอท่านต่อมาท่านสอนเรื่องจิตนะเข้ามาที่จิตนะ ตอนนั้นเดียวกันครูบาอาจารย์เหมือนกันหมดนะเะงั้นพวกเราก็ฝึกเอาใครทำใครได้นะใครไม่ทําก็ทุกต่อไปท่านนี้นเท่านี้ก็พอละเท่นมากกว่านี้ก็กลุ่มใจมนะบางคนอยากกลับบ้านและขอขอนุอ ญ, ญาตนําทุกท่านกล่าวคําถวายจตุปใจทายทานในหลวงพ่อพร้อมกันนะครับว่าตามกันเลยแล้วกันนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายาขอน้อมถวา ย, วายกะตุปัจจัยไตยทา น, น, านและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้นนแด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ <c oughs> โปรดรับ <c oughs> เพื่อประโยชน์และความสุข ของข้าพเจ้ า, า, จาและญาติทั้งหลา ย, ย, าลายสิ้นการละนานเทินต้องรับพรไหมรับเหรอ อ, อย่างจะงกอีกยะถาวอริวหาปูราปริปูเรนติสาขรังเอวเมวะอิโตดินนงเปตานังอุปากปพติ อิชิตังพฏิตังตุมังคิปะเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีขายุโกภะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปัจจายิโน จตารโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังเชิญเชิญคุณสุรศักดิ์ถวายปัจจัยหลวงพ่อครับเคือปัจจัยไทยาาทานหลวงพ่อถวายท่านจันเชิญ น, นะช่วยงานท่าน